ขอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั่าหั้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังปรารบกันนั้นก็สืบเนื่องมาจากวันวิสาขาบูชาที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองกันเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าเวลาจะกระชั้นยุ่มากก็าตาม แต่ทั้งหมดก็เป็นการเน้นไปในทางวิชาการศาสนาคือไม่ได้เน้นไปในเรื่องของการหาเงินหาทองอะไรเพียงแต่ว่าจะเสริมสร้างจิตสำนึกของพุทธศาสนิกชนให้หวนรำลึกย้อนรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เพียนพยายามที่จะปฏิบัติตนโดยเสด็จรอ ย, อยุคนบาทของพระพุทธองค์ ก่อนได้ปรารฏ ถ, ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศแ ห, แห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อต้องการจะทำงานสืบสารพระพุทธปนิธานของพระบุมีพระภาคอยาโดยการให้การศึกษาพระสัษยธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายในรูปแบบต่างๆ ทังสื่อโทรทัศน์ ส, สื่อวิทยุเอกสารเล่มเล็กเล่มใหญ่มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษการ น, นำโยชนเข้าค่ายฝึกปลืออบรมทั้งภาคศึกษาแล้วภาคปฏิบัติทั้งระดับกรรมฐานด้วยแล้วก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระสัษธรรม ในช่วงเทศกาลวิสาข บ, บูชานั้นจะเน้นเรื่องธรรมดาธรรมดาจะเน้นการงดเว้นจากบายามุกและการสมาทานศีลใครมีอุตสาหะสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็อาจจะไว้พระสูตรมนต์สะดับรับพังธรรมะที่เผยแพร่ทางสื่อด้วยคือเราจัดให้เผยแพร่ออกไปทางโทรทัศน์ช่องเก้า ตอนตีห้าครึ่งโดยใช้รายการรู้ธรรมนำชีวิตกับรายการอยู่เย็นเป็นสุขเผยแผ่ธรรมะตลอดจนถึงวิสาขะอัรมีในด้านวิทยุก็คงใช้ประมาณสองสถานีช่วงเนี้แล้วก็ยังมีสถานีอื่นอีก ในขณะเดียวกันปริมณฑล ท, ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบเจ็ดยกเว้นวันที่สิบห้าภาคเช้าซึ่งเป็นตรงกับวันพืชชุมงคลเสร็จพิธีแรกนาก็คงอย่างไม่เที่ยงวันเพรางั้นพอหลังเที่ยงไปแล้วก็กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวุฒนธศาสนาก็ดำเนินต่อไป ในการปฏิบัตินั้นจะมุ่งให้พุทธศาส น, นิกชนได้ทดลองปฏิบัติระดับทานก็ตามระดับศีลก็ตามระดับงดเว้นอบายมกุฏก็ตามถ้าเดินไปได้ตามโครงสร้างของทานศีลภาวนาก็ยิ่งเป็นประโยชน์ใหญ่แล้วเมื่อปฏิบัติแล้วก็คงจะรับผลตามสมควรแก่ฐานะเช่นสมมติว่าเรารักษาศีลห้า เห็นได้ชัดว่าเมื่อรักษาศีลแล้วเนี่ยจะไม่รับความเดือดร้อนใจแล้วพฤติกรรมในทางดีงามก็สะท้อนออกมาเป็นที่ยอมรับจกย่องของบุคคลทั้งหลายสัตบุรุษคือคนดีก็ข้าส่งเสริมสนับสนุนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรนั้นไม่มีความมิตกกังวลหวาดระแวงกลัวภัยกลัวอันตรายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในปัจจุบันแล้วนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายัางทรงแสดงว่าบุคคลที่รักษาศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะไม่หลงตายแล้วก็ตายไปเป็นแล้วตายไปแล้วไปวังเกิดในสุกติ พอเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของศาสนามากยิ่งขึ้นเรารู้สึกภาคภูมิใจสุขใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสทั้งศึกษาทั้งปฏิบัติจนถึงช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรมออกไปโดยนิยตต่างๆ แล้วก็มีการแก้ไขปรับปรวติต่างๆที่เกิดขึ้นการสืบสาร ง, งานระศ า, าสนาเหล่านี้ที่จริงก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราเจนว่าตอนพระพุทธเจ้าสัสรู้และเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นในช่วงต้นๆก็เรียกว่าประมาณสัก4ี่ห้าเดือนนั่นนะ มันก็โดนต่อต้านขัดขวางจากกลุ่มคนในกรุงราชเชื้อคือโดยกล่าวหาผลธนาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆเป็นทํานองว่าพรากลูกจากพ่อแม่พรากพันยาพระพรากสามีจากพันยาพรากพ่อจากลูกแต่ก็พอดีบังเอิญว่า ในช่วงตรงนั้นคนที่เข้ามาบวชทั้งหมดที่กรุงราชชครื้เนี่ยมันเป็นนักบวชเก่าคือเป็นพวกชะดินอยู่่านรูปกับเป็นพวกปริพาชคอยู่สองร้อยห้าสิบูปคนก็กล่าวหาคนเหล่านั้นจึงฟังไม่ขึ้นเมื่อพระสงฆ์ออกไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็ปลุกม็อบไม่ขึ้นแล้วก็สาบไป ก็แสดงว่าแนวปัญหาที่ต่อต้านขัดขวางพระพุทธศาสนานั้นจะเกิดขึ้นทุกลักษณะ้รนี้ก็อยากให้มองดูที่บทพุทธชัยมงคลคาถาคือบทภาหุงทีป่ประสงค์ใช้สวดในพิธีมงคลต่างๆเราเรียกว่าถวายพรพระเนี่ยเรียกเต็มๆว่าพุทธชัยมงคล คือมองคลที่แสดงถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดครั้งด้วยกันแล้วคนที่มาตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์รวมนะมีทั้งคนในคนนอกข้อแรกที่เราเรียกบทเผ่าหงเป็นการต่อสู้กับพญามารซึ่งมาพจนพระพุทธเจ้าในขณะบำเพ็ญเพียรก่อนจะจัดสรุป ก็เรียกว่าต้องต่อสู้กันด้วยบารมีสิบประการเรียกว่าบารมีเต็มที่เรียกว่าบารมีสามสิบทัตท่านพุทธศาสนิกชนคงจะเห็นภาพของพระแม่โธรณีบี บ, บมวยผมออกมาแล้วก็น้ําท่วมพวกมารที่มาปะจนุนพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดก็ส่งชนะมารเราเรียก พระพุทธเจ้าปางนี้ว่าปางศัสรู้บ้างปางมาราวิชัยบ้างที่วางพระหัตย์ยงบนพระเพลาอยู่บนขานะฮะจังหนึ่งแล้วก็ยังวางในท่าสมาธิอยู่ข้างหนึ่งเกิดเป็นมารมาราวิชัยในข้อที่สองนั้นเป็นการชนะต่ออาโลกยัก ซึมาเบียดเบียนไปจนพระพุทธเจ้าจะน้ากันด้วยที่จริงก็ได้ขันติะฮอดกร้านอดทนแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอดทนได้โดยอัตโนมัติเปเหมือนภูเขาที่อดทนต่อลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่นี้มันอดทนได้โดยอัตโนมัติคือไม่ต้องไปทําใจอะไรก็ทนได้ข้อที่สาม กเทวทัตได้ปล่อยช้างนาราคิรีให้มาแทงพระองค์หวังจะปลงพระชนแต่ว่าช้างก็พ่ายแพ้พุทธานุภาพไปด้วยพระมากรุณาข้อที่สีนั้นโจนองคุลิมาไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าเมื่อตอนเสด็จไปโปรดแต่ในที่สุดองคุลิมาก็พ่ายแพ้ต่ออิทธาพิสังขาร คือท่านไล่อย่างไงก็ไล่พระพุทธเจ้าไม่ทันมันเป็นวิธีการในการเปลี่ยนจากความอยากฆ่าเป็นความสงสัยจากความสงสัยเป็นความใค ร, ร่รู้จากความใคร่รู้ก็ใคร่รู้ลึกมากยิ่งขึ้นและในที่สุดก็เปลี่ยนมาหมาโจรที่มีนิ้วมนุษย์เป็นปวงมาลัยเนี่ยให้เข้ามาบวชเป็นภิกษุในภูมิทัศาสนาแล้วก็ บรรลุมรควนเป็นประหารไปในที่สุดในข้อที่ห้านั้นทรงชนะนางจินจะมานาวิกาถึงมากล่าวหาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าทําให้เธอมีท้องมีไายขึ้นมาแต่เธอก็แพ้ัยตัวเองนะครับเดี๋ยวข้อที่หกก็สัจจะนิครนคือนางจินจมามนาวิกากับสัจจนิครนมาจากที่เดียวกันเป็นลูกศิษย์ของท่านนิครนนาถบุตรทั้งคู่ แล้วก็ น, ก น, นังกิจจามนุษยการนั้นถูกเสี้ยมสอนมาให้เครียกแหวนสงครามตัวแทนนะครับหมายความเอามารบแทนอาจารย์สจยัจจะนิครนก็มีลักษณะอย่างนั้นมาคัดค้านหลักอ น, นัตตาของพระรพุทธเจา้าพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่า ทำต้องปรุงเป็นอนัตตาโดยใช้ถามให้แกคิดเอาคิดเอาไปเรื่อยๆแล้วในสุดแกก็ยอมข้อที่เจ็ดทรงทรมานนันโทปนันตนากราที่เบียดเบียนา น, านาประชาราษฎรแต่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเป็นประธานคนที่ทรมานจริงๆก็คือพระโมคคัลลานะเทระข้อที่แปดข้อสุดท้ายเนี่ยมันมีคนคัดค้านหลักอนิจจตาก่ับความไม่เที่ยง ที่เป็นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ยืนยันว่าสิ่งตั้งหลายเชียงพู้เจ้าต้องเสด็จไปทร ม, มานถึงพรหมโลกเพราะว่าคนที่แสดงทิฏฐิเหล่านี้ออกมาก็คือประกาศพรหมเรายเห็นว่าอันตรายในลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆผลการจัดกิจกรรม ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบาูชาอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยมุ่งไปไกลกว่านั้นคือจะรณรงค์ให้คนสนใจเรื่องาศาสนาศีลธรรมแล้วก็เรียนปฏิบัติตาหลักของศีลธรรมอย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าปลุกเร้ากันเป็นพิเศษสามเดือนครั้ง3ามเดือนครั้งก็ปีละสี่ครั้ง โดยใส่วันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะเห็นว่าของเราจะอยู่ที่วันเพ็ญหมดวันเพ็ญเดือนสามวันเพ็ญเดือนหกวันเพ็ญเดือนแปดวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดจะใช้จันทรคติตลอดแล้วก็สามเดือนพอดีหมดซึงก็หมายความว่าถ้ามีการปลูกราวกันมากแล้วก็มีการยกย่องคนซึ่งประพฤติปฏิบัติดีเราคงทําได้ระดับที่เรียกว่ายกย่องคนปฏิบัติดีนะคร เราตำหนิคนปฏิบัติชั่วไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่อของพุทธบริษัทเป็นหน้าที่ของราชการงานเมืองทั้งหลายที่จะต้องจัดจะต้องทําลงไปดังนั้นในพระพุทธเจริยาตรงนี้ที่จริงก็คือการสะท้อนธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีเจตนามีการกระทํามีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําคือชัยชนะได้ทั้งหมด ข้อแรกก็กลายเป็นเรื่องบารมีก็หมายความว่าเป็นธรรมะหละักพวกทานพวกศีลพวกเนคขมะพวกปัญญาเนี่ยเป็นบารมีหลักนอก น, นั้นจะต้องใช้ทุกกรณีเขาเรียกอุปการะบารมีข้อที่สองก็คือขันติซึ่งก็เป็นหนึ่งในบารมีที่จะต้องใช้มากเป็นพิเศษ แม้ในกรณีที่องค์การสหประชาชาติใช้เป็นเหตุผลในการจัดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลเนี่ยก็ยกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ําเรื่องขันติและเมตตาว่าทรงเป็นแบบฉบับในเรื่องนี้แล้วก็ทํางานประสบความสำเร็จมาขันติกับเมตตาเป็นเรียกว่าอุดมการณ์เดียวกับ อ, องค์การสัพพิชาติชาติก็หมายความจริงๆก็คือ อ, องค์การสัพรชาิชาตินั้นเรื่องใสศรัทธาในองค์ในในหลักการสำคัญ ข, ข, ของพุทธศาสนาแต่เราจะเห็นว่าขันตินั้นถือว่าเป็นตบะธรรมอย่างยอดเยี่ยมเป็นธรรมระดับอุดมการของพระพุทธศาสนาจตนี่ท่งแสดงไว้ในอวตาปาติโมก เมตานั้นก็ต้องแสดงให้เห็นเมตามันเป็นผลเป็นอาการด้วยนะของการไม่กระทำบาปทั้งปวงทำกุศลในสมบูรณ์ทำจิตแต่ของแผ่แล้วก็สัมพันธ์กับสังคมด้วยการไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายมีนิยะแห่งพระพุทธภาษ์ข้อหนึ่งทรงแสดงว่าขันติโกเมตวาลาภียัศสีสุกสีระวา พิโยเดวมนุษย์นังมนาโปโคติคันติโกบุคคลที่มีขันติและเมตตาย่อมเจริญด้วยยศและความสุขเยสสีสุกสีละวะพิโยเดวมนุษย์นังย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนันต่างหลายบุคคลที่มีขันติย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนันต่างหลาย ตอนนั้นธรรมะเหล่านี้มันไม่ใช่ไปเจาะจงไว้เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่ว่าทุกคนต้องใช้ขันติธรรมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาบีบคั้นทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองแล้วก็ปัญหานี้เรียกว่ามารุมมาตุ้มกันทีเดียวต้ะขาดกขันติความอดทน แล้วขาดเมตตาจิตต่ อ, อ ก, กันได้กันแล้วมันจะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้านปฏิปทาตรงนี้ธรรมะเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักใจเป็นฐานใจเป็นเรือนใจคือเพิ่มพูนให้หนักแป้นมากยิ่งขึ้นแล้วข้อต่อไปก็คือการุณา ที่เที่ยวรมานช้างน่ยยิ่งหนักกระปีหมายความกันมองทุกข์ของบุคคลอื่นแล้วเกิดกรุณาปรารถนาที่จะแบ่งเบาความทุกข์ซึ่งคนเหล่านั้นกำลังประสบอยู่เดี๋ยวข้อต่อมาก็คือเรียกว่ามัก็เป็นสัจจะนะฮะที่นางไออิทาวิสังขารเป็นการอิทะในอิริตเนี่ย คือเป็นความสำเร็จอย่างยกตัวอย่างว่าเราพยายามที่จะเพิ่มภูนธรรมะคืออิทธิบาทขึ้นมาเราคงทำตามพระพุทธเจ้าไปเลยไม่ได้นะฮะแต่ก็จับหลักอิทธิบาทมีพอใจในการละความชั่วประพฤติความดีเราก็ใช้ความเพียรพยายามในการละชั่วประพฤติดีมีความมุ่งมั่นสูงเอจอจิงเอาจัง ได้ใช้ปัญญาพิาจารณาตรวจสอบอยู่เสมอหลักการของพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยนิยมตรวจสอบคนอื่นแต่นิยมตรวจสอบตนเองซึ่งผิดกับคดีโลกคดีโลกอย่างยุคสมัยปัจจุบันนั้นก็พยายามจะตรวจสอบคนอื่นตลอดคล้ายๆกับตัวเองนั้นบริสุทธิ์หมดจดเหเกินเป็นคนมาตรฐานแล้วก็ไม่มีแผลอะไรเลย ซึ่งในแง่งความไม่จริงเป็นไปไม่ได้แร้วครับคนที่บริสุทธิ์ด้วยประการทั้งปวงนั้นคือเริ่มจากพระหันเป็นต้นไปแล้วพระหานเองก็ถือ ก, ก่อนที่ท่านจะเป็นพระหันท่านก็ไม่เจบริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์ไปตามที่ควรแก่ฐานะเท่านั้นเียแต่ว่าพอท่านบรรลุมรคนเป็นพระหันนั้นทันละได้ทั้งกิเลสแล้วก็ ก, ก กรรมดีหรือไม่ดีก็อาจจะให้ผลโดยพิบากขันของท่านแต่ถึงจุดหนึ่งนั้นก็จะเป็นอโหสิเมื่อท่านนิพพานไปก็จบกันนั้นหลักการตรงเนี้คือหลักการในการตรวจสอบดูตัวเองก็เรียกว่าดูตนให้ออกบอกตอนเองให้ได้ใช้ตนเองให้เป็นก็เป็นวิธีการบูชาพระพุทธเจ้าประการหนึ่ง แลในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ช่วยกันสืบสารพระพุทธมรรทฐานทั้นด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการเผยแผ่ด้วยการดูแลรักษาศ า, าสนามันก็ซ้อนกันอยู่ในตรงไหนก็ได้นะเราจะเอาบารมีสิทธิ์มาก็ได้แระจะเอาพุทธชัยมงคลแ8ดมาก็ได้แล้วถ้ากลัวมากก็คือจับให้ได้สักข้อหนึ่งจะดาเนินชีวิตไปบนเส้นทางสายนั้นจะมีจุดบรรจบกันเอง ตำนองแม่น้ำร้อยสายไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วจะมีรสเค็มเพียงอย่างเดียวนั่นเองธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นวันเราจะเห็นว่าอุปมาข้ อ, อนหนึ่งที่ส่งแสดงว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงบนพื้นดินแล้วเขายอมได้รับผลของพืชชนิดนั้นคนทำความดีก็รับผลดีคนทำความชั่วก็รับผลชัว่ว ส่วนนี้ถือว่าเป็นสูตรหลักที่การปฏิบัติธรรมะทุกข้อไม่ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก็ตามมันเป็นเริ่มจุดจุดเล็กๆแล้วก็ขยายไปเองก็เป็นเรื่องของต้นไม้ชนิดนั้นเพราะในเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งจัดเป็นงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น ซื่อต่อกันมาจากปีพุทธศักราช2127อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนั้นในแง่ของความเป็นจริงงานส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่7คือพิธีกวนเข้าเข้าชิปที่ เ, เขาเรียกว่าเข้าขยาศาสตร์อะไรีหยหรือเข้ามัทุ ป, ปายาตก็แล้วแต่จะเรียก มีลักษณะเป็นอาหารที่ปนญาอยู่พอสมควรเป็นพิธีกรรมใหญ่มากพระเจ้ญญาคุณพระธรรมสิริชัยวัดอรุณราชวรารามเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ตลอดมาแล้วก็เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนนะคือก็มาหาไปรับประทานมา แล้วก็บูชาในรูปของการบูชานะก็ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปีเพราะยังไงก็ตามตรงนี้ยังไม่ถึงวันเปิดงานอยากจะเชิญชวนชักชวนท่านพุทธศาสานิกชนทั้งหลายที่ได้เรียกร้องพร้อมใจกันเรียกร้องขอใช้พื้นที่สนามหลวง ผ่านสถานีวิทยุาสอมอทอแล้วก็รวมโดยช่วยกันตลอดถึงจดสอร้อยและสถานีนอื่นๆตลอดทั้งพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็ขอให้มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันที่ที่สิบเอ็ดซึ่งาหากมาช่วยในกระบวนการแหร่พระบรมสารีริกธาตุจาก ประโว่สดวัดกระแก้วเพื่อให้กระบวดมันใหญ่หน่อยเพราะก็วิตัวกังวลกันอยู่เหมือนกันเนื่องจากมันชุกและหกไปหมดแล้วก็เจอวันหยุดขวางไปอีกเราเห็นอว่าเรามาเจอวันชัดมงคลเจอวันเสาร์เจอวันอาทิตย์ก็หยุดกันมาถึงวันที่เจ็ดก็มาได้วันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบตรงนี้สามวันนี้ยจะจะฉุกและหุกมาก วันวันที่สิบเอ็ดนี่เรามั่นใจว่าพร้อมพอสมควรแต่ว่าการร่วมกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนนั้นเป็นพลังศรัทธาที่ใครจะเชิญชวนชักชวนท่านทั้งหลายผ่านรายการไ้ร์ลมรพโติยาณเนี่ยจะขอให้ท่านที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ในวิสัยที่จะสามารถมาได้เนี่ย ร่วมกับนบำเพ็ญกุศลในวันเปิดงานและถ้าสามารถจะเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งมีมากได้เกินนะครับเป็นพวกนิทัศการมันพวกวิชาการเป็นพวกหลายรูปแบบแต่สรุปว่ามันก็เน้นไปที่การศึกษาการในิบัติการเผยแพร่พระพุทธศาสนาดังกล่าวนั่นเองต้องฟังทังหลายแต่ร่วมประโพธิญาณในรายการพิเศษสมรับวันนี้ข อ, อยุิไว้ในเวลาเพียงท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไผ่บุญในธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี